นิสัยหรือมีบุญที่จะได้พึ่งระนาไตรก็สามารถเข้ามาสู่สถานที่เหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีประสักปัญหาแต่คนที่บุญกุศลไม่เพียงพอแม้จะอยู่ในที่ปลอดภยัยลรวก็วิ่งไปหาภัยเหล่านั้นเอ ง, อ, งออกไปรับภัยเหล่านั้นเองแต่คนที่มีบุญกุศลแล้วก็จะหาโอกาสหาลีก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 กินอย่างธรรมดานอนอย่างธรรมดาแต่มุ่งกระทำเรื่องมรรคผลนิพพานให้ปรากฏนี่คื อ, ำอทำอย่างสูงมุ่งกระทำอย่างสูงคือมุ่งเรื่องแต่มรรคผลนิพพานนะแต่กินยังไงก็ได้นอนอยังไงก็กได้ไม่ได้แสวงหาเรื่องที่อยู่ที่นอนไม่ได้สแสวงหาเรื่องรสชาติความสะดวกสบายอะไรกินอย่างต่ำอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทาอย่างสูงแต่คนส่วนใหญ่ HE ในโลกนี้กินอย่างดี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 คนไม่อยู่เทวดาอยู่เทวดาไม่อยู่พระพรหมอยู่พระพรหมไม่อยู่พระอริยเจ้าม่อยู่พระอริยจ้าม่อยู่ผีสางเทวดาผู้เป็นสมาธิทิเข้ามาอยู่แล้วเขาจะมูทนานะเพราะนั้นต้องความขยันคือความเพียร น, นั่นเองนะเขาทำอานะจารย์กรรท่านดีอาจารย์กําท่านคอยซ่อมแซมตรงไหนตรงไหนเสียท่านทำตลอดนะนั้นก็จะมูทนาในะจุดนั้นด้วย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 ให้เกิดครั้งศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อให้เกิดบุญกุศลแต่เพื่อให้เราได้ตั้งสติตั้งสมาธิจิตของเราที่มันปรุงแต่งฟุ้งไปกับเหตุการณ์ต่า ง, า ง, างอาดีต <c oughs> เวลาเรามาศึกษาบทสวดมนต์ก็ทำให้ความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นได้หยุดชะงักไป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 เวลาเรารู้ว่าเรามีอยู่เพราะเรารู้สึกป ว, วดรู้สึกเมื่อยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเข่งตึงนี่อาการของรูปให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่นึกเป็นภาพขึ้นมาว่าเป็นหาสี่เป็นตัวตนเป็นอาการั้นสองพ้นควมเลืล่อนกะหนังไม่ได้นึกอย่างนั้นถ้านึกถึงรูปในแง่ของวิปสัสสนาแต่นึกถึงรูปในแง่ของวิปสัสสนึกถึงอาการ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 ไม่เคยเห็นแสงสว่างแต่น้นมือนมีแสงสว่างน้อยๆที่เร า, าพู้ที่เจ้าท่านชูขึ้นท่านบอกขึ้นเราเห็นอะไรแปลกๆแต ก, ก, กต่างใหม่ๆออกไปเราก็อยากจะเห็นให้มากกว่า น, นั้นเราก็เริ่มต้นที่จะเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวพุทธของเราฉะนั้นในชาวันนี้เราได้ทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่า